สมาธิของแท้ต้องอย่างนี้ในปัจจุบันนี้นักสมาธิในประเทศไทยเรานี่องค์นี้เรียนมาแบบพุทธโธองค์นี้เรียนมาแบบยุบหนอพองหนอองค์นี้เรียนมาแบบสัมมาอารหังพอมาเจอกันเข้าเถียงกันหัวร้างข้างแตกเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ตรงกันแสดงว่ารู้แค่ตำราแต่ทําสมาธิไม่เป็น สมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมหนึ่งไม่มีสองถ้าสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นกับจิตท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะไม่มีสัญญาเจตนาที่จะควบคุมจิตให้เป็นไปแบบไหนนอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าไปบังคับจิตให้ไปหยุดนิ่งและยังไปประคองมันอยู่แล้วก็นึกไปถึงโน้นนึกไปถึงนี่อันเนี้ยมันยังนึกได้อยู่มันยังไม่ใช่สมาธิ เป็นแค่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้เท่านั้นถ้าสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่มีใครไปบังคับมันได้มันจะไปดูนรกมันไปของมันเองจะไปดูสวรรค์ไปมันเองมันจะรู้จะเห็นอะไรมันเป็นเองโดยอัตโนมัติคนที่ทำสมาธิเก่งที่สุดที่เรารู้กันในปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนไทยแต่คนคนนั้นเขาจะนับถือศาสนาอะไร หลวงตาไม่รู้คนที่สร้างจรวดเป็นลงดวงจันได้คนแรกนั่นแหละคนที่ทำสมาธิเก่งที่สุดแต่ถ้าหากว่าคนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็กที่เป็นลงดวงจันแล้วย้อนกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่โลกถ้าหากว่าเขาเป็นคนละคนคนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็กนั่นเก่งที่สุดถ้าหมอนี่คานวณผิดเพียงเสียววินาที จะรวจตัวเล็กจะเกาะยานแม่ไม่อยู่จะไม่มีโอกาสกลับมาสู่มนุษย์โลกนี่พวกเราอย่างมาเถียงกันพุทธโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหนออยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาจิตตัวเองก็ไม่ตกแก้ปัญหาสังคมก็ไม่ตกหนักๆเข้าพุทธบริษัทหันไปนับถือพูดผีปีศาจพระไม่มีปัญญาแก้หนักๆเข้าพระไปเป็นคนทรงวิญญาณเสเองด้วย เพราะอะไรเพราะทำสมาธิไม่เป็น